ปฏิบัติก็เพื่อมักผลนิพพานด้วยกันทุกองทุกองพยายามตั้งใจให้สำเร็จมักผลนิพพานไปที่สุงทุกนิพพานสงบ กายสงบใจความสุขไม่เกินพระนิพพานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะองค์ว่านิพพานเนี่ยความสุขไม่มีรลความสุขไม่เกินพระนิพพาน พวกเราให้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ในพุทธไายของเราเนี่ยในศาสนาของสมาสัาพุะพุทธเจ้าของเรามันถึงบ้านเหมืองเราจะเป็นไปอย่างนี้เราก็จะปฏิ บ, บัติให้มันพ้นทุกข์ ความเก่าแก่เจ็บตายมันต้องตายหมดทุกคนเป็นแต่เราก็ควรปฏิบัติครั้งนี้เมื่อเราได้ธรรมะไว้แล้วรอโสดาปฏิมาขยานมันก็เป็นที่ดีตายเร็วก็เราก็ได้เร็วก็เราได้ไวแล้วเท่าเรา ไม่ยังไม่ได้สุดล้าก็สินแล้วทำไว้ให้ดีแล้วก็ยังน้อยๆเราก็ไปเกิดเทวโลกก็เหมาะสมการก็เราก็ทำอย่าให้เสียทีมาในเมืองไทยเราเป็นลูกเล่นลาน ของพระพุทธเจ้าเกิดขันในศาสนาของพุทธเจ้าก็เป็นโชคดีของพวกเราขอให้ได้มรสีผลสีนิพพานหนึ่งจงจะเดินจะเดิญ น, นะจะลืมและละพระพุทธเจ้าอยู่ทีใจพระธรรมอยู่ทีใจพระสงฆ์อยู่ทีใจ เพื่อจะเอามักผลในผานให้ได้โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลกีสาปฏิมักสาหับผลอนาคาปฏิมักอนาคาปฏิผลรหัตมักรหัตผลขอพวกเราให้เต็มใจทำกันจริงจริงถึงไม่ถึงขั้นในผานก็ เทวโลกธรรมบัตเจ้าก็ยังพอใจเราไปพักผ่อนเทวโลกธรมบัโตโซดาก็เป็นที่สบายใจอยู่นอแล้วเจ้าก็อยู่บนเทวดาผก็ได้เราก็สบายใจ แล้วก็แล้วพระพุทธเจ้าพอว่างศาสนาแล้วเราก็จะได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะนิพพานธาตุอีกเราก็เป็นบุญหลายบุญโตไปขอให้ท่านโมโนโเลยเถอะ พวกเรามีสินมีสมาธิพอสมควรก็พอจะได้โสดาหรือสินสมาธิปัญญายังไม่ได้โสดาก็ยังไปอยู่บนสวันมันก็ยังบริสุทธิ์ดีขอให้พวกเราจะโยเยนิวรน จะทำปานปนให้เราเสียกำลังเราตั้งใจกำปันเนี่ยทุกดนดไม่ผิดหรอกตั้งใจว่าเรานี่ทำามันไม่มีละคนเรานะไม่ช้านะสปีสรปีเนี่ยพันดินจะไหว วันหน่งเก้าครั้งสิบครั้งแล้วมันจะเอียงทางซ้ายแล้วมันจะเอียงทางขวากระแทกบานชองเรือนหังหมดนะถึงเราจะตายเราก็าไปสู่สวรรค์รุมบัดจะต้องไปกลัวอะไรเรื่องตายถ้าสิดีจะมาที่ดีหรนะือนะจะตายเมื่อไรก็ได้ พวกเราจะขัดขอกันทาใจให้มันเบิกบานทำให้เบิกบานอยู่เรื่อยๆเราก็ใจหมบุรกุได้ทากับเมื่อฐานกันเราือให้มันดีใจเถอะเราจะได้พนทุกข์เรา แค่สวัสดิมบัตินี้เราก็อายุตั้งสามกอดปีกต่อีกหกล้านปีแล้วพวกเทวดาเขาไม่มีขี้มีเย้าหรอกมันทิพนะให้พวกเราดีใจกันนะอยู่นี่ขี้เต็มตัวขอเจ้ามันไม่ขี้กรดกันนะไอ้มี ความดีความชอบตนะเริ่มต้นจะมาทิปัญญาอยู่เสมอทิ้ทงยา น, นอนอยู่ก็ดีอย่ากมันนึกไปอย่างอื่นให้มันนึกจะพุกพระพุกประธรรมพระทรงจะทำใจมันเบิกบานแล้วทำนี้มันก็ มันใจมันเบบานอยู่แล้ก็มันก็ไม่มีดีวอนหนหนนะปิติทำให้เป็นเครื่องอิ่มได้นะปิติเป็นเครื่องอิ่มทำใม้มีปิติไม่มีเครื่องทำไปสู่สวรรค์รมบัดการรักษาพาวตากในไดเล นายเรือก็เม่นก็ตุกตาคนายชาวนายทำไม่ิดใจดีแล้วโป่กันไม่ใจหวังไม่ตีแล้วนายทัพพาวก็เรามีสินห้าแล้วมันจำเป็นแล้วเราก็ต้องทำใจดีๆ ก็ท่านมีสินก็ขอสักบอกจันมาสีิก็ได้จะเอาก็ได้พอให้สินจบแล้วนาก็ข้าปากนน้นไปเกิดเป็นเทวดานะเขานั้นโขออยังได้พวกเราเนี่ยทำกันเป็นวันเป็นปี แล้วก็ขอให้ดีใจเจะได้พ้นทุกกันเรามาอยู่นี่กันเพื่อมาทำจิตใจไอต้ตนยาตนพงมันปรากฏอยู่เสมอนะน้ำเนี่ยมันปรากฏอยู่เสมอพวกเราก็ มีครูบาาจารย์ดีก็ทำตามกันสิเกิในกลัวมันไม่เป็นไม่ได้นะผู้ทำนายมันไม่ผิดีนะมันจะชาร์เร็ว์นั่นแหละเราก็เพิ่มผุนสิ้นธุมาธิปัญญาเอาไว้ดีจะเมื่อเรามันใจเป็นเทวดาแล้วล่ะ ตายม ye b ye b ye ja e ันจะไปไหนก็ไปสู ja na, ่สวรรคสมบัติน ja ั้นมีวิมานทองเป็นโจดๆจะเปลืตัวนะขี้หมูขี้หมาจะอมมำทาเป็นอารมณ์นะตมารีอะความเห็นคุ้นก่ก็สุขสาร เราก็แก่แล้วก็คนยังไม่มีทำก็สงสารถ้ามีทำก็อย่างดีอย่างดีใจว่าโอ้อย่างขอสึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงพระธรรมเป็นที่พึงพระสงฆ์เป็นที่พึงและเราจะไปทั้งไม่วันหนึ่งนะ พิจารณาอยู่ว่าลมห า, ายใจเขาออกเนี่ยคนน่า ย, ยังเห็นทรมันปรากฏอยู่แล้วก็เห็นผงเห็นต้นหญาเห็นปฐวีธาตุดินน้ำลมฝ่ายอยู่ละมันก็อย่างดีนะ จะมาผ่านได้ฮะ น, น, นะทมก็ไดกครูครูบาอาจารย์เราก็ยังมีทมได้แล้วก็ขอให้พวกโ ย, ยมทำตามกันกันแลวกั น, กนที่ไหนมีครูมีอาจารย์มันก็ดีทำไมมีครูบาอาจารย์จะเอาที่พึ่งเทียร์อาศัยที่ไหนล่ะ ถึงนอนอยู่อนามานอนอยู่นิ่งๆคนก็คอยใจว่าหลับแท้ไม่ได้หลับก็มีนะเพราะสนใจพระอะไรว่าอุตส่าห์นียนั่นบรบอกพระผูวิเศษก็บอกไว้เพราะพวกเราเชื่อกันแล้วก็มันก็ต้องทาใจเทนั้นแหละ จะแปะจะบอกว่าเกรียมกระบองดีๆ ด, ดินไม่แยกแล้วก็งูร้ายมันจะขึ้นมากบกัดเราถ้าเห็นมันด้กัดเราเก็ตีซะเท่างานก็สิ้นหาเราก็ไม่มีสิเรามีส้่ดีแล้วก็ทำเ่ยเฉยสิงูร้ายมันก็ไม่เคยทำเรารกนะ กะขับเม่งป่องนี่อยากก็ให้เราอาจจะมาค้อไม่ไ็กทองนะอิรูประเเกให้ไม่ไม่ตั้งไม่ตั้งเม่งขาบจะขาบเหม่งป่องงูร้ายก็ยจะเป็น เป็นญาติมิตรก็เรามันจะไม่ทำเราเลยนะถ้าใครสวดบุตรนี้นะก็อยากจะให้สวดกันนะแต่แปลว่างูร้ายมากเม็ดไส้เดือนก็ยังมีผิดนะมันจะขบกัดพวกเราเรามีกระทะป้องกันนี่แหละพร่องให้ ให้พระพิสุททองไปอยู่ในธรรมในเหวงูใหญ่เป็นงูอะไรไม่ไม่ทำร้ายเราหรอกตลอด ท, ทั้งเสือก็ไม่อาจเสียมมากินเราได้หรอกก็อยากจะให้พวกเราท่องนะคราวนี้เราควรท่องนะฮิรูบาเคฮิเมไม่ตังไม่ตัง เป็นเมตตาอย่างที่หนึ่งไปอยู่ที่ไหนงูก็ไม่กินจะอยู่กับงูได้อะไรได้ที่เราก็มีอย่างนี้พุทธธรรมนายมีอย่างนี้แล้วก็ให้ทำไว้ขึ้นใจเราก็จะได้ฟนทุกนะเราก็มีของดี เขาท่องไว้บผู้ใบท่องที่มีปัญญาดีๆคนแก่ก็เหาะจะจำได้ค่ะคนที่ปัญญาทุกๆก็ต้องท่องบ่อยและคนปัญญาดีๆก็รักจำได้รักจำก็ m o i r จำแนะนำ ครูเ น, ค น, คค น, นค็ครูนำครูสอนสอนเนือยแล้วมีครูเน็ครูนำไม่ครูสอนสอนเราไมกด็ดีดีกว่าอะไรทั้งหมดเท่านั้นเครื่องป้องกันของเราก็มีนี่กระพุทธรัจจาประธานให้ก็แล้วแล้วก็ บทหนึ่งพระองค์เบ้าไปที่ไหนก็ผีหลอกมั่งเทวดาหลอกมั่งเทวดาอยู่ต้นไมยพิสุเข้าไปพักเทวดาก็ต้องหลงแล้วนักขึ้นก็ทำเป็นผีหลอกอยากให้พิสุไปพิสุก็เลยไป ไปถึงพระองค์พระองค์รู้แล้วที่นั้นอยู่ไม่ได้โลกศึกษาต้นไม้ใหญ่มีผีลอกเธอไม่ได้เอาวุฒไปนี่วุฒิอะไรพระเจ้ขขาค่ะเรียนนึกดาบปรตไม่ใช่อย่างนั้นหรอก บุรก็รีบรีบรีไปที่ไหนที่ไหนสานมีสารก็ต้องตามพระทรงเราอีกพวกนั้นน่ะมาใช้บัวเราเป็นนกพิทารุสานนกสานแล้วต้องตามพระทรงจะบวอจะไว้ต้องตามประทรงเรา เอาเป็นผู้วิเศษขอให้เราพวกเรานี้เตรียมตัวบทนายดีก็สวดขึ้นมาป้องกันได้อยู่พเพื่อแค่นี้ก็จะเป็นญาติเป็นมิตรกับพวกหมูสิหมูก็ไม่ขาดเราอย่างก็พวก พวกพากจาพวกพวกปู่มั น, นีหลวงปู่ชอบนี้พวกนี้อยู่ก็เสื่อยู่ก็ร้ายเป็นญาติเป็นมิตรกันทั้งนั้นมันไม่กัดรอกไม่ถำหรอกพวกนี้ก็ส่วนพวกนี้พวกผีดูดูก็ไม่ถาแล้วรอก ไม่หลอกหรอหลอกอยู่ในประช า, าอันมะก็ไม่เมีอะไรมีพุทธคุณคนธรรมุณนยังก็คณทั้งนั้นแหละมันทำได้เกิงไม้หักหญิงหักมาเปิดผ้าเปิดบงก็ไม่ต้อ ง, องโกรัวมนันละ ขอให้มีโวตรสุ ข, ขวักสุกขะสังกนดังมหาความสุขเช่นนั้นแหละเท่านี้แหละทำไมดีแล้มวมักนก็หูขนาดท้องมันถูดินนี้ตั้งคือที่หนอนเนจ้าแค่รักซอุณนั้นแล้ว ถ้ามันอดขึ้นมามัดเราแล้วก็มัดได้แต่มันก็ต้องมีของดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บอกว่าพระ ท, ที่ไปอยู่ป่าไปอยู่ในร้มเทวกินกินพระหงูพระองค์บอกว่าไม่ตรวจป ร, ริศ อยู่บ้านแค่สักพวกอยากพวกเรนไม่ทำไม่เราขอให้พวกเราเกรียมเกรียมตัวทองเงวยมังนะมันประเดีนี้ น, นะสวดได้ยินไปถึงไหนรักษาไปได้ถึ ง, งนั้นก็มี คุณรุมบาทเนี่ยอาจจะมาไป น, นอนอยู่ในกรถนะปริศโัวไปพริศมุตัวหมาทับเัิ่งบองตายเมือนบองก็ไม่ทำแล้วอาว่าตัวงอมาปาไปนอนมันบองตายแล้นอนสับเพือตาย ให้พวกเรานี้เล่าเราให้ฟังเครื่องกันตัวหมีอย่างตะแปะพูดนะว่าอา ม, มายตีงูได้มันตายมันเลยไม่กัดเราต้องไปทำยังานก็สินาเราก็หมดเียเราอยเอาอะไรเป็นที่พักผ่อนนะ มีสิ่งนี้ไม่เป็นไรพวกปีารก็จะมาทำลายเราก็าทำลายเราไม่ได้แล้วถ้ายิ่มาทำ้ายเราพกว่าจะถูกพวกเทวดาไล่ไล่พวกอยากพกกระไรวิญิวพวกในส้มในแหลนในลาวนี้ก็ จะถูกเทวดาไล่เป็นเจิงห้าร้อยชนให้ไกลาจากเราไปแล้วนะนี่กนานแล้วก็มาได้บอกพวกญาติโยมนะก็เห็นพุทธหมายว่าอย่างนี้ก็ให้พวกเราเตรียมตัวว่าก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเขา พระพุทธเ <c oughs> จ้าก็ยังทองมารยาณนะอาการวัตรตุลก็องแน่มนกันอะไตรงหัวควายมาบา้บาคนบ้าจะไม่ ม, มาตีเรได้จวดอาการวัตตุลนี่ ขอให้พกกวกเราตรวจกันเถอะปฏิบัติกันเถอะพระคัจะแก้วแก้วสงังพระนิพพานปุนกยานฐานบาลมีไม่กรีเมตตาการุณาเบคาภคุณาธรรมเป็นโนอิติปโุโรหะนี่ก็ดี ตรวสินสินห้าสินแปดสินเจก็ว่าไปเถอะวดกันง่วงนอนได้เหมือนกันง่วงง่ว ง, งนอนก็ตรวจเขาก็หายง่วงนอนไปได้เหมือนกันก็ดีขอให้ทำกันเถอะมด เมื่อเราสวดขึ้นอกขึ้นใจกันอยู่สามารถอาจหลงมันไม่พัดมาทางนี้ก็ได้หรือมันไม่พัดทางนี้นิ้วเคลีมันก็ไม่มาทางนี้ได้มันก็พัดไปทางอื่นไนดะ้ก็ได้เพราะเรามีหมอนวิเศษดีคุณพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงขึ้นขึ้นไม่ต้องวิ่งไปโน่นไปนี้แล้ว มันเป็นไงเป็นนดีวเราทำก็่ข้าวสวดกิ่งข้า ว, วบูชาพระองค์ขีบข่บทขีบ่บทก็ว่ากันติิตโตนี้กันไม่มีละอาการเราตูดกับติฟิโตนนั้นแนี่แล้ว อาตอมาเนี่ยเดินวิ่งก็ไม่ได้ขวายนีสี่สิบห้าสิบอยู่ในทุ่งนี้เดินผ่านปุ่งขวายตัวหนึ่งแท่ไว้แท่มามันจะเล่นงานเราก็ตะวาดให้เสียงดังมันก็ไม่ทำมันก็ได้เหมือนกันนี่ก็เหมาะสมว่า ควายก็ไม่ขวิดเดาได้นี่ลุงลุงพ่อป้องละควายเนี่ยนะมันวิ่งมาอยู่ ม, มาขวิดลุงพ่อป้องไอเนนมึงเอาตัวรอดนะไอ้เนนก็นกขึ้นต้นไม้เลยมันมาใกล้ลุงพ่อก็ มันตั้งใจมาขวิดก็ลุกขึนขวิดเดลุกขึ้นให้คนหัขหนา้าขวายน้ำมาหัวคกคนตายเลยทั้งคู่โอ้ไอจ้จกกองบอกว่ามาขับพระมาพิลึกแล้วลูกพ่อองค์นี้สำคัญเอาขวายตายหมดทั้งคู่เลยท่านบอกว่า เทวดาท่านช่วยลุงพระป้องทเทวดากับหัวโคกกันจะตายหรือนั่นถ้าเทวดามาช่วยลุงพระป้องผูค้คุยตายคนดียอมไม่ตกน้ำไม่ไหลยกวตกไหวไม่ไหมนะขอให้พวกเราตั้งใจไม่กระด แล้วคิดอะไรจะสมความปรารถนานะนี่จะอาจจะมาไม่คู่อีกนะแต่พูดนะพิปปากของสลัดเนี่ยไหวมันไม่ระดับลมพัดไม่ที ตึกนั้นอาตมาไปปล่มน้ำมนต์ไว้พอมาถึงกรุงนั้นลมมันพัดกลับไปทางที่ไม้แล้วไม่มีไม้เลยเหมือกันตึกหลังนั้นแล้วเขาถามว่าข้านำเลี้ยงไเท่าไหร่แล้วจบไหมประ ไม่มามเองทำก็พิไมไรู้สิบาดูกะกลางกับเพิมมแล้แต่กลางนั้นอ่ะที่ขังข้าค่ายกู คือใคร ก, กูเติอใครแล้วก็นั่ น, นบุญนี่นะมันช่วยได้จริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดขอให้พวกเราไหวพร้อมเพียงกันเนะไม่ขัดข้องกันไม่ให้อะไรกันให้ดีกันไว้เถอดหม่น พระพวกที่เธาอิทิพัทธ์นี้ก็บัดเศนะไม่ต้องมันไม่ถึงไม่วานิวเคลียสนะุเคลือกนั้นลนะมนไม่เป็นไรจ้หล่อมันไม่พัาดบางนีนิวเคลียมมันก็มนไ ม, ไม่มาทำไม่ได้ร้ะ พัดกลับไปเหอะมันไม่พัดมาได้บุญขคนนี้แหละคนมันจะมาฆ่าเรากัดปันกลวมกลวมมันยังฆ่าไม่ได้เลยนะมันต้องยกมือไหว้มันต้องกราบปีดเสด้วยซ้า พ่พวกเราวันนี้พูดมากมากหน่อยนะสอนไว้นะเตรียมเตรียมลูกสอนไว้ดีลมมาแล้วแล้วก็ไม่มีมะไรก็พุทธคนนะุณน้ำพระคุณเนี่ยไม่ไปถ้าสายก็ไปถวัน ตายต่อไปในป่านไม่ต้องกลัวเรียนวิชาไว้แล้วไม่ต้องกลัวตายตายก็ทางมันที่อาจจะมาพูดเนี่ยก็พูดว่าให้ยอมายดีนะใจใจมันดีๆแล้วมันก็ เวลาพักทำให้ลมให้ไปได้ลุมจะพัดฝนจะตกลมจะพัดฝนจะตกฟ้าจะพานะเสี่ยงให้กระานมันไหวมันนะตกัาสนานีต้องมี เราก็เตรียมตัวคนหนึ่งที่พูดวันนี้นะเตือนนะเตือนใจยวยจะไปได้เป็นคนดีของพระพุทธเจ้าตายไปก็ไปอยู่บนเทวโลกก็ได้อยู่บนพรมโลกก็ได้ทำเริีสานเราก็ไปอยู่พรหมโลกก็ได้ ไม่ต้องกลัวแล้ว ก, กลัวก็นทนเนาะภาวนาให้มากขึ้นเราคนได้ชัยส่แล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้ว ที่เราว่าเนี่ยฌานสีก็ปฐมฌานทุตีฌาน ต, า, า, น า, นตาตีฌานจาตุติฌานไม่ต้องกลัวเทวดาฌานสี่นี้นะครับไม่ต้องกลัวละไม่ไม่ตายแล้วล ฌานสี่ก็ตุตฌานนะสิปีนที่ตั้งของอภิญญาสมาบัติได้ทำเงื่อนข้าวเพราะมันนี่ไม่วาสนาสักองค์ก็จะคุมกันได้หมดหมดทะเลาะบาใจกันมาไม่ดีรัก ม, ม, que, มันม่ไดเจ็บตายมันไม่มีรกมันมีแต่ปัจจุติเลื่อนไปเท่านั้นแหละคนทาดีก็จะไปเกิดที่ดีคนทาชั่วมันก็จะไปเกิดที่ชั่ว กินข้าวก็เสกจะมั่งลึกถึงประพุทธเจ้หมังพุทังธรรมังสังขังให้เท่านี้ก็ดีต่อไปจะกินปอเปล่ากินนึกถึงประพุทธภาสามพระทรงจะมั่งตยายจะได้ไปกิ เป็นกระดูกเหลกมัง่งแับอะไคนยุคบ้านกวาูว่าจะพอว่าตามาเล่นแลพวก็ว่าตุง ว่าเป็นบอกเป็นเจ้พ่อเป็นซี่กแล้วส่องตามวันแล้วไปยินในค้อกมูลแล้วแล้วไม่โกรธทำไงก็ไม่โกรธความไม่โกรดแล้วมันก็ทํามันไม่ได้ปืนมันก็มี วันนึกทํายังหักเงีมันทําพระไม่ได้หรอกพวกเราที่พูดเนี่ยพวกนี้แล้วก็ท่องกันนะมึงนะอยู่ระเกศนะพันดินมันแตมนกมันแยกงูม่นจะขึ้นมาจากใต้ดิน มันจะไม่ได้สำรรรหรับพระพุทธเจ้าทึกประธานให้กระพ้ะก็อยู่ในถรนิรันดรทำไมไม่ได้ท่องบทในกูก็คิดว่าพระได้ตรุชฉาญ หูใหญ่มันมาปงนี้มากระโงกมันก่อแผ่เบื้งเบียร์ เ, เข้าไปที่หัวมองหนา้าก็เห็นก้นก็เอาก็าเป็นอาหารของเธอแล้วก็เอาเลยชนะไม่เอาไปไปไป เลยเลยไ ป, ไ, ปไปหาองค์นั้นอีกองค์นั้นก็สติดีเอาถ้าเป็นของเธอก็เอาเลยเป็นอาหารของเธอก็เอาเลยมันก็ไม่เอาหมดก็ไปที่องค์สอีกองค์สก็เหนเอาถ้าเป็นอาหารของเธอก็เอาเราไม่ว่ารา ไปองทีองทีสีพอพอมันงอกหน้าข้าไปสีมันเด็อมวัวแลวตกใจตกใจเวียนโตออกหนีสิงูก็ื่อมัดเลยเอาทำเปนาหารตเต้ลรเอาเลยเกิน มันก็มัดแต่ก็เข้าจานเข้าจานตะตุจจานสามาบัตรก็ไม่งูก็กินเข้าไปพระสาบมงกุเสร็จแล้วงูกินเรแล้วท่านก็นั่ง นั่งช่วยดูสามวันพักสามวันเม่นแล้วหมูเม่นพระท่าตายแล้วหงูนี่กินพระบาหงูตาย อามือแหวกท้องออกพวกหรือก็าตายแล้วเราหมูกินไม่ตายมีละคนหมีฉานตีหรือเป็นเนี้ยเข้าใส่กระอบกดน้ำก็ยังไม่ตายฝังดินไว้ก็ยังไม่ตายมีริ์มาก พอเราก็ทำเงินเขาทำให้มันนานขึ้นทำให้นานภาชาติมันต้องแล้วมันเข้าจานออกจานทำกับบปาอัตกนัมมาก็เจ็บข่ายเงีย มานังเป็นเพื่อนนี่ก็บอะไรเป็นเพื่อนมีกำลังใจคนแก่ๆเขาข้าก็มีกำลังใจจะได้ธรรมะวิเศษได้อยู่ไม่รู้ตัวรักนะมันเรากินข้าวนี้ไม่รู้หรอกจะอิ่มคำไหนก็ไม่รู้ ธรรมะนี่ก็นั่งไปได้มาดูตัวรกกรกยังไงเราการธรรมะก็เคยได้มานอนหลับพอตื่นมาก็ได้เลยเราตั้งใจมองใครมองดูที่ใบหน้านให้ม่ก มั น, นเห็นความเคยแกจ่จะบตายก็ต้องตืง่นใหม่นี้แหละบอกแล้วก ok เอาขึ้นเถอะเอาทำกันโกรธจังกันไม่มดีแล้วไม่ใช่พระองค์สอนสอนไม้โกรโทนเอา เรางทนมแล้วตัดมตัดถูตัดข้อตตัดข้อมือกรไมไม่กรไม่ตัดมโยนทิ้งกรดไหมไม่กรดตัดข้อติ่ง t ยนทิ้ r กรดไหมไม่กร ตาดถูกรอดไม่ไม่กรอตัะมุกรอดไมไม่กรอคันเตมอยู่ที่ไหนคันเตะมันอยู่ลึก<ม><ม>ยกข้เขาวกว็แท็กข้ออกว่วพูดเรีเจ้าพอถอยหลังออกไปก็ถอยนันนี่จบเลย ความเมตตาใจไม่โรดดีอย่างนี้เตือนนี้หรอกขอให้โยมทุกคนพระทุกองค์ขอให้ทำไม่ได้นะขอให้ทำไม่ได้คันเตยของพระองค์นีมดีพอ เร่ยตายก็ไปเกิดฟุ่มเฟืคนที่ตัดพระองค์เทวดาท่าสอนในตรงไม่ครั้งเดียวเท่านี้นะสุมาลาเลยแต่มันก็มาลาวิพรองได้ เล้พูดระทมเลยละขอให้ท่านมีสติปัญญารู้ธรรมของพระองค์ให้รู้ธรรมเห็นธรรมคำตรงสอดพระองค์ให้ได้มาสีฝนสีพระนิพพานหนึ่งเจริญเจริญทองรูปเคกันนะ อยู่โอเคถ้ากลัวแล้วก็ท้องทำไมกลัวก็แล้วไปงูมไม่กัดต่ขาบไม่กัดมูป่องไม่ต่อยรนทีปากก็ไม่ไม่มาเป็นยอดไม่กระดัหมด ท่ากติเรือนพระกระดานตัวนียกระสิ่งเห็นพระใ น, นวัดนั้นเห็นว่าตุนี้ตัวเท่าเท่ากติ เสียงมันไม่เหียวแห้งเลยอาฟุกเราใครสู้อัดโคตรดีปได้ไหมประกาศที่แก่าได้ไหมดีไหมบ้าดีไหม ดีแล้วควรว่าทุกวันพอทาทกรรมฐานแล้วครบวันีน่เดียวไปดีฝันนีน่ต้องอยิง่งว่าพร้อมกันนี่เพราะอาจะมาไปไป็นชีวัที่ดีสุขาพกรรมไเฉียดก็สวดกันอย่างเนี้ ก็หมูจำเขาไม่ได้คุณต <ati> yeah. ้องต้องรู้เอแคนะครับรู้แค่แบครับนําสวดทุกวันนะครับทุกคนครับ รเเสรก็รู ป, ร ป, เเปรนนะเคแปลเลยครับนี่แหลการหูปัด ก, การตะขาบกันการมันบก ต, นนต่อยในตอกันหนาเนี่ยนานกเขบอกว่าหมูรายมันจะขึ้นมาใต้ดินมันจะกัดคนนัมันจะกันนะดกพวกเรานี้แหละเพราะว่าว่าบอกดีอยู่บกเขนี้ พวกนี้จะเป็นยาตเป็นมิตกระหม่อมไม่ทำมารยานี่ออกโดยพระโอษ์ของพระองค์เองจะขี้เกียจจะขี้เกียจตัวจมุตรครไม่ตสวจก็ไม่เป็นไรหรอกที่เขาไม่ตรวเลยนี่กขครอบมันจะขึ้น มากัดพวกเราถ้าเรามีคลองดีนะมันก็จะไม่กัดพวกเราหรอกเป็นยติเป็นเม็ดก็เขาแฝงมาตาให้เขาแล้วก็เราบดบดในโจ์ ด, ดีต้องเอาออที่โจ์มาผ่านผู้วัยมิกฉุก ลืมแล้วเดือนนี้มิมาดารับก็คิดเธอสวสดกันไม่พอกี่ทำไมโดมนะ <c oughs> งูกระต่ายนะเธอกรองูกระก็ไม่ไม่ต้องจะกรองมูกระกก็ต้องสวด จะไม่กลัวก็ไม่ต้องเดี๋ยวจะว่าว่ากันไม่บอกไม่ได้นะมนต์นนเนี่ยต้องขำไว้ก่อนถึงแค่ครั้งอึกอัดป่วยเนี่ยเอาก็ไกลมันไม่ครั้งก็คื อ, อมุกาัดนะ ต้องป้องกันไว้ก่อนสิ่งเนล่านั้นเราเกาหลีควายเนี่ยคนเป็นตาแดงขายแบบคนยังหายเลยคนเลี้ยงควายคนทีบปากคอตาแดงขายเราไนห่หมุนหมุนนิพระอง์บอกสาวกไว้ ต้องงููเงียื่อข่อนี่แล้วก็ตรวจดูพะเค่ะหมูมักากาเราทุกคนต้องเตรียมมนุษยก่อนถึงเกี่ยครั้หลังยอกหลังยอกมีคนหายเง้ มันจะไม่เคยทำให้ใครทำไเหมนมาชัยโรยยาช่ยตีสุเราควคมนักเรียชต้าเราจะตรวจป้องกันโรคะก่อนอัดตรวจ แล้วก็ตังอาถรรพขอปพระพุทธเจ้าขอตรงที่ในแดนของพเจ้าอยู่แค่นขอ้อจะดิ้นบวชไหวเลยกว่าร้องก็ขออจะมาร้องที่นี่เลยให้ไปร้องที่ ที่ชจังตา อ, อะไรความมัคอยหลงที่กงนั้นบ่อยที่ชาจังเนี่ยนาจะมาให้ให้กระาไปสเกลืมๆรมงกะเมฆลาเออย่ามาพึ่งตัวเราเลย เ, เราเป็นข้าพระเจา้า พี่ที่เป็นตัวพักว่าพมขลาญาติบ้านนั่นฟาไม่มารองทงนี้อีกไปแต่คนนั้นกัวฟ้าแต่คนนั้นเลยสิ้ชมเราว่าเราไสิไดีแทกลลเหมือนกันนี่ คนโตเขาให้มาเราเลีย้ยงควายเรากรอฟ้านี่เราก็ปนตกแหละเปลี่ยงเลเปียเราก็แอบไปข้างข้างอยอย่างควน่แหลนก็ตายก็ตายด้วยกันแต่สายควายก็ต้องตาย เอาเงินไป ล, ก, ลกไปลงนำมันถึงนะแบเปลียงป๊บเปียโอ้โหกัวเดินยังข้างลางไปภาวานาบทเนี้ยโลายันไปก็ดี ดิจิตรูปพระกว่าพระโมคคายติเอาท่านมีฤทธิ์ดีก็ภาวนาไปว่าหายรัวได้เหมือนกันแล้วก็นึกว่ามีคล่องดีไม่ไม่เป็นไรแต่ก็นึกว่านึกว่า ้าเราตายควายก็ต้องตายอยู่่วยกันลูกเร็กเกลูกเรกเด็กไล่ควายลงน้ำมาถึงนั้นนาวัดึงวัดทราปา ยัแกแกงังกาดอโอ้โหกลัวเลเกากลัวเลเกิน